สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากชิตยาพิบาลนะครับในช้าวันนี้เราอยู่ในประเด็นที่6ของกฎทองคำกฎที่7ครับเรื่องของการใช้ของประธารือของประธานพี่น้องครับในประเด็นที่6นั้นท่านศาสนาจารย์ดรฟิลิปเทงนั้นได้เขียนอย่างนี้ครับว่าความยุติธรรมของ ของประธานท่านก็ได้ยกในประกมภีรมัดทิวบทที่ยีครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตาลันท่านกล่าวว่าเจ้าของบ้านต้องการความตรงไปตรงมาของผู้รับมอบงานรับ 5,000 ันกำไร 5,000 ันรับสองพันกำไรสองพรับ 1,000 งพักำไรหนึ่พันท่านเปรียบเทียบว่ารับ5ตาลันก็ได้กําไร5ตาลัน รับ2ตะลันก็กำไร2ตะลันรับ1ตะลันจะ ต, ต้องกำไร1ตะลันนั่นคือเมื่อเทียบส่วนกันแล้วก็เหมือนกันหมดครับก็คือว่าได้1กํากำไร1ได้2กํกำไร2ได้กํากำไร5นั่นคือสิ่งที่ควรจะเป็นเราเห็นว่าของประธานนั้นก็ตรงไปตรงมาส่วนของกำไรนั้นก็ตรงไปตรงมาเหมือนกันครับในที่สุดเจ้านายก็ปรับลืม ผู้รับมอบเหล่านั้นก็ได้รับคำชมแล้วพบว่าในพระธรรมมัทิบทที่25คนที่ได้ห้าตะลันก็ได้รับคำชมเท่ากับคนที่ได้สองตะลันพี่น้องครับคำชมนั้นเป็นคำชมเดียวกันครับก็คือว่าเจ้าเป็นทาตที่ดีและสัจจเจ้าเป็นทาตที่ดีและสัจจ ถ้าใครรับไป 5,000, ันกําไรแค่4ี่พันเขาก็ไม่สามารถพูดกับคนที่รับสองพันและกําไรสองพันว่าค่าดีกว่าเจ้าเพราะกําไรมากกว่าเจ้าถึงสองพันไม่ใช่ครับหน้าที่ของเขาก็คือว่าเมื่อรับไปห0 0 0ันต้องกําไร5 0 0พันถ้ารับไปสองพันต้องกําไรสองพนนั่นคือสิ่งที่เป็นหน้านที่เป็น สิ่งที่เขาต้องปฏิบัติพี่น้องครับการที่ใครรับไป5 0 0พันกำไร4 0พันแล้วจะมาเอาเอาเปรียบหรือว่าจะมาพูดกับคนที่ได้2 0 0พันกำไร2 0 0พันว่าเขาเนี่ยได้ทั้ง4พันมากกว่าแกอยู่2 0 0พันพูดอย่างนี้ไม่ได้ครับเมื่อเป็นเช่นนี้ใครที่มีของประทานมากกว่าก็ไม่ใช่ว่าจะสนุกนะครับ เพราะว่าความรับผิดชอบของเขาก็มากตามไปด้วยความรับผิดชอบของเขาก็มากกว่าคนที่ได้ของประธานน้อยกว่านะพระเจ้าทรงยุติธรรมครับพี่น้องครับท่ศาสตราจารย์ดรฟิลิปเ็งได้เขียนไว้ว่าไม้กางเขนทองคำเป็นไม้กงเขนที่หนักที่สุดไม้กงเขนทองคำเนี่ยเป็นไม้งเขนที่หนักที่สุดท่านอาจารย์เปาโลนั้นได้ของประธานที่ยิ่งใหญ่มากครับ แต่ท่านกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นผู้เล็กน้อยที่สุดในบรรดาพวกอัครฑูต ท, ท, ทั้งหลายพระธรรมหนึ่งโคริมบุต 5.9 ก็ครับพี่น้องครับเราอิจฉาเปาโลหรือเปล่าครับหากเรารู้ว่าท่านได้จ่ายราคาไปมากน้อยขนาดไหนเราจะไม่กล้าอิจฉาเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าท่านอาจารย์เปาโลนั้นท่านได้รับมากจริงๆครับ พระเจ้าให้ของประทานท่านมากมายเหลือเกินแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าท่านต้องจ่ายราคาท่านต้องทําบางสิ่งบางอย่างตามของประทานที่ท่านรับมอบครับเหมือนกับคําของพระเยซูที่พระเยซูตรัสว่าผู้ใดได้รับมากผู้นั้นจะต้องถูกเรียกเอาจากเขามากลูกาบที่สิข้อสี่สิบแครับพี่น้องครับ เมื่อเราไข ค, ความจริงในเรื่องนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราต้องขอบคุณพระเจ้าและพึ่งพาพระองค์ครับในการใช้ของประธานและความยุติธรรมของของประธานนี้สาคัญก็คือว่าถ้าเราได้เยอะเราต้องให้ผลผลิตเยอะเราต้องยิ่งรับใช้ให้มากประเด็นต่อไปครับหลักการของการได้ของประธาน มัทธิวบทที่25่สบ้าข้อบกบอกว่าด้วยว่าผู้ใดมีอยู่แล้วจะเพิ่มเติมให้ผู้นั้นจนมีเหลือเฟือแต่ผู้ที่ไม่มีแม้ว่าซึ่งเขามีอยู่ก็ต้องเอาไปจากเขาโปรดฟังอีกครั้งครับด้วยว่าผู้ใดมีอยู่แล้วจะเพิ่มเติมให้ผู้นั้นจนมีเหลือเฟือแต่ผู้ที่ไม่มีแม้ว่าซึ่งเขามีอยู่จะต้องเอาไปจากเขา พี่น้องครับคตรัสของพระเยซูตอนนี้หลายคนก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นหลักคิดของนายทุนเป็นคติพจน์หรือหลักคิดของลทัทธินายทุนแต่พระเยซูตรัสคำนี้หรือประโยคนี้ไม่ไดม้มีความหมายถึงเงินครับแต่หมายถึงหลักการของการเผยแพร่ของประธานหลักการของการได้รับของประธาน คือผู้ที่มีของประทานและขยันนำมาใช้ให้เกิดผลเขายิ่งใช้ก็จะยิ่งเพิ่มผูนมากขึ้นมีทักษะมีความเชี่ยวชาญมีความชนานาญมากขึ้นแต่คนที่มีของประทานแล้วไม่รู้จักนำมาใช้แน่นอนครับของประทานนั้นก็ค่อยๆหดหายไปหดหายไปนี่คือผลที่เกิดขึ้นครับของการใช้ของประทานหรือไม่ใช้ของประทานยกตัวอย่างครับคนที่มีความรู้ เมื่อเขาใช้ของประทานเขาก็เพิ่มความรู้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆท่ามกลางผู้รู้ทั้งหลายเช่นเดียวกับคนที่เรียนภาษาครับเมื่อฝึกภาษามากขึ้นมากขึ้นท่ามกลางคนใช้ภาษาต่างๆเขาก็พูดภาษาได้ดีขึ้นแต่ในทางกลับกันครับพวกขี้เกียจพวกเกียดค้านไม่ยอมใช้ความคิดอยู่ยิ่งอยู่ไปก็ยิ่งปัญญาอ่อนครับ พวกที่มีสิทธิทพิเศษแต่ขาดการรับผิดชอบพวกนี้ก็เหมือนกันจะต้องรับการพิพากษาอย่างแรงเลยจากองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับเมื่อเรามีของประทานอย่าอวดตัวครับเพราะว่าใครได้รับมากจะต้องเรียกจากผู้นั้นมากอย่าอวดตัวเมื่ อ, อไรก็ตามที่เราอวดตัวและดีใจเย่อหยิ่งว่าเรามีของประทานมากกว่าคนอื่นๆ น, นั้นจนจําไว้พระกรมัมภีร์ตรัดพระเยซูชิตตรัสว่า ผู้ใดได้รับมากจะต้องเรียกจากผู้นั้นมากเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราจะต้องใช้ของประทานให้เต็มที่เต็มกำลังครับหลักการการได้มาซึ่งของประทานที่มากขึ้นมากขึ้นก็คือเราต้องใช้ขยันนำมาใช้ยิ่งใช้ก็ยิ่งเพิ่มพูนครับพี่น้องครับเราไปอีกประเด็นหนึ่งในวันนี้ประเด็นที่แปด ของประธานแต่ละอย่างนั้นต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในพระธรรมหนึ่งโครินโบที่สิข้อยี่สิบเอ็ดความว่าตาจะว่าแก่มือว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการเจ้าก็ไม่ได้หรือศีรษะจะว่าแก่ท้าว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการเจ้าก็ไม่ได้ที่จริงอวัยวะที่เราเห็นว่าอ่อนแอเราก็ขาดเสียไม่ได้โปรดฟังอีกครั้งครับตาจะว่าแก่มือว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการเจ้าก็ไม่ได้ หรือศีรษะจะว่าแกเท้าว่าข้าวเจ้าไม่ต้องการเจ้าก็ไม่ได้ที่จริงอวัยวะที่เราเห็นว่าอ่อนแอเราก็ขาดเสียไม่ได้พระคำพระเจ้าสอนเราว่าเมื่อไม่มีมือปากก็อดกินเมื่อไม่มีปากท้องไส้ก็หิวโหวยยามใดไม่มีเท้าก็เหมือนคนง่อยเมื่อใดก็ตามไม่มีฟัน ก็ได้ดื่มแต่น้ำข้าวยามใดไม่มีตาก็เดินไปไหนไม่ได้นั่นแหละครับคือการพึ่งพาอาศัยกันน้าพไทัยของพระเจ้าได้ตั้งอวัยวะไว้ในร่างกายตามชอบพระทัยของพระองค์และให้อวัยวะนั้นได้เอื้อประโยชน์พึ่งพาอาศัยกันพระธรรมหนึ่งโครินโบทที่ สิบสข้อสิกล่าวว่าพระเจ้าได้ทรงตั้งอวัยวะไว้ในร่างกายตามชอบพระน์ไทยของพระองค์นี่เป็นเพราะว่าจหน้าที่ช่างอัศจรรย์และช่างเหมาะสมมากพวกเราอยู่ในคริสตจกักรเราต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันเพราะเป็นครอบครัวเป็นบ้านใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเสมือนกับพระวรกายของพระเยซูคริสต์เราจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันร่วมมือร่วมแรงกันร่วมไม้ร่วมมือกัน ชื่นชมชื่นชอบซึ่งกันและกันไว้วางใจซึ่งกันและกันรักซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันและกันให้งานสําเร็จให้เราแต่งพระวรากายของพระองค์ด้วยความรักจนกลายเป็นพระวรากายที่เต็มไปด้วยพระเิรีของพระเจ้านั่นแหละครับคือหน้าวัดไทยของพระเจ้าที่มีต่อคริ้าจักรก็คือพระเยซูจะได้มี คริสจักรที่มีสง่าราศีถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจา้าถวายแก่พระบิดาเจา้าพี่น้องครับเมื่อเราหวนคิดขึ้นมาถึงหลักการนี้หลายครั้งทีเดียวเราอาจจะต้องมีความรู้สึกอับอายเพราะคริสจักรยังไม่ได้มีสง่าราศีเท่าที่ควรเรายังไม่ได้รักกันเท่าที่ควรเรายังไม่ได้ไว้วางใจพึ่งพาอาศัยกัน เอื่อประโยชน์ต่อกันและกันเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นมากกว่าประโยชน์ของตนเท่าที่ควรขอพระเจ้าเสริมกำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราทั้งหลายครับให้เรามีชีวิตที่สอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าอาเมน